วันนี้หลวงพ่อก็คงตั้งชื่อว่าอย่างนั้นแหละนะตัวตนไม่มีมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับแล้วก็พยายามจะพูดเป็นธรรมะปัจจุบันซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวเรานะพยายามศึกษาพยายามเรียนรู้ของจริงเรียนรู้ของจริงคือของที่มีอยู่ในกายในใจนะเาก็แสดงเขาโชว์ให้เห็นถึงการเกิดนะการดับ โชว์อยู่ตลอดเวลาถ้าผู้มีสติเพียนเพียนศึกษาเรียนรู้ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเพราะว่ามันมันมีอยู่มีอยู่ที่กายที่ใจนะไม่ว่ามันจะเป็นอาการอย่างไรก็ศึกษาความจริงของมันศึกษาจริงอะเรียนศึกษาเรื่องนี้ก็เป้าหมายนู่นแหละเป้าหมายก็คือเพื่อให้เห็นว่า สิ่งเกิดสิ่งดับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นเป็นความปรุงแต่งแล้วก็เป็นกฎของธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเช่นที่กล่าวไว้ว่าสัพพันตังนีโรูาธรมันติเนี่ยในหลวงพ่ออ่งวาลีหน่อยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาแค่เห็นเข้าใจอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะเป็น นะอภิริยกบุคคลชั้นต้นได้ก็คือพระโสดาบันคือมีความเห็นถูกต้องนะละสักกายทิฐิได้ละความเห็นผิดเพราะนั้นเนี่ยเพียรแค่นี้แหละเพียนไปอะไรเกิดที่กายที่ใจก็รู้ว่ามันเกิดแล้วรู้ไม่ยากหรอกถ้ามันเกิดแล้วคือก็คือปรากฏแล้วแหละสิ่งใดปรากฏแล้วก็สิ่งนั้นเกิดแล้วสิ่งใดเคยปรากฏแล้วหมดไป อันนั้นก็เรียกว่าดับแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรการเรียนรู้เกิดดับนะเพราะมันมีอยู่แล้วนี่เราไม่ได้สร้างเราไม่ต้องทำตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปทำให้เกิดตัวเราไม่ต้องไปทำให้ดับนะมันมีแต่มันก็เกิดเองดับเองมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดไม่มีเหตุเหตุให้เกิดไม่มีเรียกว่าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิด มันไม่ไม่ยากอะไรหลวงพ่อบางทีก็เล่นเล่นกันเนี่ยหลวงพ่ อ, อยังที่จำได้เนาะหลวงพ่อก็อยู่ในร่มนะแล้วก็พอออกไปจากจากร่มเนี่ยก็คือมีแดดอ่าร่มกับในร่มกับที่มีแดดซองอะ่ะมันก็อยู่ติดกันนั่นแหละหลวงพ่อก็เดินเข้าเดินออกนะระหว่างในร่มกับที่อ่าที่มีแสงแดดก็แล้วก็อ่ะ ออกไปออกไปให้กายไปกระทบกับแสงแดดมันก็ร้อนรู้ร้อนแล้วก็รู้แล้วก็หลวงพ่อก็เข้าร่มมันก็เย็นแล้วก็ออกไปที่แสงแดดมันก็ร้อนแล้วก็เข้ามาในร่มมันก็เย็นตรงนี้ก็เลยเห็นความเปลี่ยนแปลงของเย็นกับร้อนว่านอมันมีเหตุปัจจัยถ้าอยู่ในร่มไม่มีแสงแดด มันก็ต้องเย็ น, นก็ถูกแล้วแล้วก็พอออกไปที่มีแสงแดดมันก็ร้อนมันก็ถูกแล้วแล้วก็จะเห็นความร้อนความเย็นมันก็สลับหน้ากันเนาะสลับหน้ากันก็คือก็พอร้อนดับเย็นเกิดพอเย็นดับร้อนเกิดเนี่ยอันนี้ศึกษามันคือมันไม่ต้องใช้หัวคิดอะโยมคือมันเหมือนกับว่าทําเพื่อการศึกษาเรียนรู้ เห็นหมทเพื่อการศึกษาเรียนรู้ก็จะก็จะรู้ก็จะเห็นจริงๆของพวกนี้เราจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าทําเพื่อศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ให้รู้เนี่ยหมายความว่าให้รู้เองนะให้รู้เองโดยที่ว่าไม่ต้องฟังใครบอกไม่ต้องถามใครเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เข้าใจเรื่องการรู้เองขึ้นมาว่า อ, อ๋อการรู้เองคือรู้แบบนี้ รู้ไม่ใช่ว่ามีใครมาบอกเหมือนกับว่าไม่ใช่มีใครมาบอกให้รู้แต่รู้ด้วยตนเองแต่ทีนี้ที่คนอื่นบอกอก็คือเขาเหมือนกับว่าบอกให้ลองไปทำลองไปทำดูนะลองไปทาแล้วก็จะทำให้เกิดรู้เองเหมือนหลวงพ่อพูดอย่างนี้บอกว่าอ๋อก็ลองลองทำที่หลวงพ่อบอกดูสิว่ามันมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวเข้าในร่มเดี๋ยวก็ออกไปที่แดดเนี่ยพอดีพี่กุดมันตอนนี้มันเห็นแดดนะหลวงพ่อก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออหลวงพ่อก็เคยเดินเข้าเดินออกแล้วก็มีร้อนมีเย็นจริงๆแล้วก็เรื่องร้อนเย็นเนี่ยมันลองเราทีนี้เราก็ลองลงสั่งไงลองสั่งบ้างสั่งสั่งเอาเช่นเวลาไปยืนกลางแดดเนาะสั่งบอกว่าเฮ้ยอย่าร้อนเดยอย่าร้อนให้เย็นให้เย็นก็ปรากฏว่าคำพูดของเราไม่มีความหมาย ไม่มีค่าอะไรเลยสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้มันร้อนก็ร้อนเราบอกว่าเอ้อย่าร้อนอย่าร้อนให้เย็นให้เย็นไม่มีผลไม่มีผลอะไรแล้วก็พอเข้ามาในร่มบอกว่ า, าเอาร้อนดิร้อนดิ อ, นดอย่าเย็นอย่าเย็นก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายแค่เนี้ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ เพราะมันเป็นมันจะร้อนมันจะเย็นมันก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยไม่ได้เกี่ยวกับเราทีนี้พอเรามาศึกษาเรื่องนี้เนาะยมก็ศึกษาอสุวัสศึกษาเรื่องอื่นๆเนี่ยก็มาทดสอบมาทดลองนะหลวงพ่อเคยทําผ้าผ้าอาบน้ําฝนเนาะมาสีที่คอเนี่ยมาสีที่คอคืออ่าเอามือสองข้างอ่ะดึงผ้าอาบน้ําฝนเนาะแล้วก็พาดไว้ที่คอ หลวงพ่อก็ลากไปลากมาโอ้โหมันร้อนมากเลยนะพอพอลากไปลากมาพอลากเร็วเร็วนี่โอ้โหผ้ากับกับไอ้ที่คอซึ่งมันเป็นผิวหนังเนาะมันเสียดสีกันอะ่ะร้อนมากเลยพอร้อนมากบางทีหลวงพ่อก็ศึกษาหลวงพ่อก็ชักเร็วเร็วโอ้โหมันร้อนแล้วก็พอร้อนเสร็จแล้วมันความรู้สึกความคิดความปรุงแต่งๆเนาะความคิดต่างๆมันก็ปรุงมากมายมันบอกอย่าทำอย่าทา เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะอันตรายเนีนนะ่ความคิดมันก็จริงๆอ่ะเราเอามือสองข้างเนาะชักผ้าครับน้องผลสีที่คอสีไปสีมาพอมันเกิดความร้อนความร้อนมันเกิดขึ้นนี่เพราะว่ามันของมันไปเสียดสีกันนะไม่ใช่ว่า อ, อยู่ๆความร้อนจะจะร้อนเลยมันร้อนได้ก็เพราะมีเหตุก็คือไปทำให้มันเป็นอย่างทำเหตุก็คือเอาผ้ามาสีกับคอ แต่พอหยุดทำความร้อนก็ไม่เกิดไม่มีพอทำเร็วๆความร้อนก็โอ้โหเร็วมากเลยมันร้อนแต่ทีนี้ไอ้ความคิดอ่ะจริงๆมันก็เป็นสัญชาตญาณแหละ เ, ออเกิดอะไรขึ้นกับตัวเป็นภยัยเป็นโทษธรรมชาติก็ให้มาคือต้องรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งตามตามสัญชาตญาณนะคิดบอกอย่าทำทำเล้๋ยวก็อันตรายอย่างงี้ยทีนี้พอฝืนทำพอฝืนทำเสร็จมันก็คิดอีก เวลามันร้อนมากเนาะมันก็ห้ามอย่างเดียวอันตรายอันตรายอย่าทำไม่ถูกไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวคอเป็นแผลหรือว่าคอมันจะไหม้เอาอย่าทำเนี่ยเหล่านี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งซึ่งเป็นธรรมชาติมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันมันเป็นเช่นนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละใครใครจะคิดใครเจตใคร เขาเรียกว่าไม่ได้เจตนาคิดนี่ไม่ได้เจตนาจะเจ็บไม่ได้เจตนาที่จะให้เกิดความร้อนอะไรแต่มันก็เป็นเองเหล่านี้มันเป็นเป็นธรรมชาติแต่ทีนี้ถ้าถ้าฝึกฝึกรู้ฝึกมีสติเนี่ยมีสติก็คืออะไรเกิดขึ้นก็รู้นะเพราะนั้นก็ให้มันเกิดก่อนแล้วก็รู้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่ ที่รับรู้ได้นะมันก็เป็นธรรมชาติแหละอะไรเกิดขึ้นที่กายธรรมชาติรู้ก็ก็รู้ได้รู้ได้ทีนี้ถ้าเราลองแยกสภาวะเนาะแยกสภาวะเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดถึงว่าเอาผ้าอาบน้ำฝนมามาสีที่คอใช่ไหเราลองแยกสภาวะดูสิว่าไอมือเนี่ยมือที่จับผ้าเนี่ยอันนี้ก็ เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งผ้าก็เป็นอีกสิ่งสิ่งหนึ่งนะแล้วก็ที่มันเคลื่อนอ่ะเคลื่อนไปข้างซ้ายทีข้างขวาทีที่มันเออมันมันเคลื่อนชักไปชักมาเนี่ยมันมันเคลื่อนเนี่ยอันนั้นก็อีกสภาวะหนึ่งแล้วก็มันเกิดความร้อนขึ้นมาความร้อนมันก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งนะแล้วก็ไอ้ที่รู้มันก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งวัะนั้น ธรรมะธรรมชาติเนี่ยมันมีหลากหลายสภาวะมันมีหลากหลายสภาวะซึ่งถ้าเราสังเกตนะว่าไอ้สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันไม่ใช่เป็นเป็นคนไม่ใช่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นอะไรหรอกมันเป็นแค่สภาวะนะที่มันมันเกิดปรากฏขึ้นแล้วมันก็หมดไปปรากฏขึ้นแล้วก็หมดไป สิ่งเหล่านี้รวมๆกันทั้งหมดก็คือว่าเป็นสภาวะธรรมนะมีการเกิดการดับซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เรามันเป็นเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อแยกมาเป็นส่วนย่อยแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้มันก็เป็นแค่แต่ละอย่างนั่นแหละเออทีนี้เวลาเรียนธรรมะเนี่ยต้องต้องหัดแยกแบบนี้แหละว่าเออเนาะในร่างกายในจิตใจ มันมีสภาวะมากมายแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวตนทีนี้ถ้าเข้าใจมันก็ต้องสะสมปัญญาเนาะการที่พิณาบ่อยๆพิณาซ้ำๆมันก็ทำให้เข้าใจว่าเออที่จริงเนาะตัวเราตัวเราอะ่ะตัวเราไม่มีก็มีแต่สภาวะที่เกิดที่ดับจึงเนี้ยที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าเออใน ในโลกนี้มีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเท่านั้นเองนะมีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเท่านั้นเองนอกจากสิ่งเกิดสิ่งดับไม่มีอะไรนะตรงนี้จำหลักให้ดีนะว่าสิ่งที่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละมันมีสิ่งไดปรากฏสิ่งนั้นต้องดับไปสิ่งไดปรากฏสิ่งนั้นดับไปโยมลองมองในภาพรวมดีว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ ตัวเราอยู่ไหนไม่มีไม่มีเลยทีนี้เมื่อเข้าใจถึงความไม่มีตัวเราเนี่ย น, นะตอนนี้ถตอว่าฟังแล้วเข้าใจร่วมกันแล้วว่าตัวเราไม่มีความเป็นตัวตนไม่มีอยู่จริงเมื่อความเป็นตัวตนไม่มีอยู่จริงะความความที่อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่เออลองดูนะนักปฏิบัติธรรมมันมันยังมีความอยากอ ย, กอยู่ ที่มันมีความอยากเพราะว่ายังยังเข้าใจไม่แจ่มแจ้งในเรื่องความไม่มีตัวตนคือยังหลงลืมว่ายังมีตัวเราอยู่ตัวเรายังมีทุกข์ตัวเรายังเป็นทุกข์หลวงพ่อจะบอกว่าไอ้ที่มันมีทุกข์หรือว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันก็เป็นแค่สิ่งเกิดดับคือจะอะไรก็ตามเนาะมันจะกลับลงมามาเป็นสิ่งเกิดดับหมดเลย จะเป็นทุกข์ก็เป็นสิ่งเกิดดับจะเป็นสุขมันก็เป็นสิ่งเกิดดับอย่ารู้สึกนิ่งๆเฉยๆมันก็เป็นสิ่งเกิดดับอย่ารู้สึกว่าโล่งๆเบาๆสบายมันก็เป็นสิ่งเกิดดับอย่ารู้สึกว่ามันหนักๆทึบๆตื้อๆมันก็เป็นสิ่งเกิดดับ เห็นมเมื่อเห็นแจ้งรู้แจ้งว่ามันมีแต่สิ่งเกิดดับแล้วตัวเราตัวเรามันมาอย่างมันมาจากไหนมันมาอย่างไรจริงๆอ่ะที่มันมาที่มันมีตัวเราอ่ะก็เพราะความหลงเพราะความรู้ไม่เท่าทันรู้ไม่ทันกับสิ่งที่กาลังเกิดกับสิ่งที่กาลังปรากฏพอรู้ไม่ทันปั๊บมันไปตะครุบเลยเนี่ยไอความไม่รู้เนี่ยไอรู้ไม่ทันเนี่ยก็เลยไปตะครุบว่าเป็นเรา อ่าเป็นเราทีนี้ถ้ามีปัญญารู้ทันว่าเอา้ามันหลงผิดไปแล้วไปยึดถือว่าเป็นเราแล้วเนี่ยไอความรู้ทันเนี่ยมันก็จะคลายคือมันจะดับความความหลงผิดความเห็นผิดก็เป็นความเห็นถูกเห็นถูกก็คือว่าเข้าใจด้วยปัญญาเข้าใจด้วยปัญญาว่าอืมมันไม่ได้มีตัวตนจริงๆมันมีแค่สิ่งเกิดดับมันมีแค่สิ่งเกิดดับ เออเพราะฉะนั้นเวลาเป็นทุกข์เป็นสุขมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นทุกข์หรือว่าเราเป็นสุขมันแค่เป็นสุขเกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นแค่ทุกข์เกิดขึ้นเออมันแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเนี่ยก็อยู่เท่านี้เองอ่าแล้วก็พอพูดถึงว่าที่เคยปรารถนากันไว้ว่าชาตินี้ชีวิตเนี้ยเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้อ่ะไอ้ก่อนปฏิบัติธรรมอ่ะแน่นอนอ่ะมันต้องมีตัวเรานะ ต้องมีตัวเราที่จะให้ตัวเราพ้นทุกข์แต่เมื่อระวางปฏิบัติเนี่ยได้สังเกตได้พิจารณาได้ฟังธรรมท่านบอกว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดจนลงแต่ใจว่าที่แท้เราไม่มีพอเราไม่มีความเป็นเราก็หายไปความเป็นเราก็ดับไม่เหลือพอดับไม่เหลืออ๋อไม่มีเรา เพราะนั้นไม่ได้มีทุกข์ไม่มีเราเมื่อมันไม่มีเราแล้วเนี่ยใครจะทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันเมื่อไม่มีเราก็ไม่มีผู้ทุกข์บางคนก็สงสัยอีกไม่มีผู้ทุกข์ได้ไงเนี่ยทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งเย็นเอา้าก็อันนั้นก็สิ่งเกิดสิ่งดับไงนั่นแหละคาตอบมันจะไปลงตรงที่มีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเท่านั้นตัวเราไม่มี จริงเนี่ยทางหนทางนี้มันเป็นหลวงพ่อนเน้นตรงนี้ทาไมเพราะว่ามันเป็นทางที่เข้าใจได้หมายถึงว่าเมออื่อมีการยกตัวอย่างประกอบสามารถที่จะฟังแล้วก็เข้าใจได้เมื่อเข้าใจได้ก็เพียรศึกษารับรู้ต่อสิ่งที่เกิดที่ดับเนี่ยมันจึงเป็นทางที่ไม่เนิ่นช้ามันเป็นทางที่สามารถพ้นทุกข์ได้เดี๋ยวนี้ ถ้าเข้าใจนะเห็นแจ้งเดี๋ยวนี้เข้าใจถูกตามที่มีผู้ชี้บอกเนี่ยมันพ้นทุกได้เดี๋ยวนี้เลยไงที่พ้นทุกได้เดี๋ยวนี้เพราะอะไรเพราะรู้ว่าไม่มีเราก็เลยพ้นทุกเดี๋ยวนี้เมื่อพ้นทุกในปัจจุบันนะอนาคตไม่ต้องห่วงเมื่อปัจจุบันไม่ทุกแล้วอนาคตก็ต้องไม่ทุกอนาคตไม่ว่าจะอนาคต ชาตินี้ชาติหน้าโลกไหนก็แล้วแต่ไม่มีเราตลอดมันก็ไม่ไม่ทุกเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มต้นจากไม่ทุกในปัจจุบันนี่แหละถ้าไม่ทุกในปัจจุบันก็ทนทุกไปเลยนี่เห็นไหมมันเดี๋ยวนี้จริงจรทีนี้หลวงพ่อมาพิจารณาเนาะว่ามาลองเปรียบเทียบกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเออ คำสอนของท่านเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าท่านก็สอนเรื่องเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์อ่ะนะแต่ว่าคำอธิบายหรือว่าสูตรต่างๆเนี่ยมีเยอะที่มีเยอะเพราะว่าปัญญาของของผู้คนเนี่ยของผู้ที่ติดยึดนะหลงเนี่ยไม่เท่ากันบางทีถ้าพูดแบบ อ, อ่ลัดๆสั้นๆ น, นะ เรื่องอย่างเช่นเนี่ยรู้เป็นปัจจุบันว่าเออมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นต้องอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรคนก็ไม่เข้าใจท่านก็เลยต้องถอยลงถอยลงไปอีกว่าเออต้องลดระดับลงหน่อยเพื่อที่จะพูดให้คนเข้าใจออบางคนก็เข้าใจบางคนไม่เข้าใจอ้าก็ท่านก็ถอยลงไปอีกถอยลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยไปลดลงไปจนถึงโน่นตั้งแต่เริ่มให้เริ่มให้ทานโน่น ต้องทํเาเเขาเรียกว่าต้องรู้จักให้ทานเดียก่อนว่าการให้ทานทานที่ถูกต้องควรให้แบบไหนทานที่เป็นทานที่บริสุทธิ์ต้องให้แบบไหนให้เพื่อไม่ได้หวังไม่ได้สะสมมาไม่ได้สะสมเพื่อจะเกิดในชาติหน้าชาติไหนท่านก็ถอนไปก่อนเหมือนกับว่าให้ก็ให้ไปแต่ว่าอย่าสะสมว่าเออให้แล้วเราจะได้ผลตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยตรงนั้นแหละท่านก็ให้ถอนเพื่อเหมือนกับว่า เป็นการให้ทานที่บริสุทธิ์แต่ตอนนั้นอะ่ะมันก็ยังเป็นตัวเราเป็นผู้ให้ทานเนาะเป็นตัวเราเป็นผู้ให้ทานแต่ท่านก็ต้องสอนในระดับนั้นก่อน เ, ออเพราะว่าจะบอกว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนเนี่ยเขาฟังไม่ออกก็เลยอเอาตัวเราไปให้ทานไปก่อนแต่จริงๆท่านก็ชี้นะั่นแหละว่าถ้ายังมีถ้ายังมีตัวตนนะมันก็ต้องกลับมาเกิดอีกนะไม่ว่าจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นนรก เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์อะไรแล้วแต่มันก็ต้องกลับไปเกิดเกิดไปเกิดมาก็ก็ยังวนๆอยู่แต่ถ้าสอนถ้าเข้าใจเรื่องอสังขารไม่เที่ยงเนี่ยสอนเรื่องความเป็นอนัตตาถ้าเข้าใจได้ว่ามี ม, มีตัวตนเนี่ยก็เอามาเลยเนี่ยค่ําก็เรียกว่าปฏิบัติในขั้นนี้ไปเลยแต่ทาทานทำอะไรก็เหมือนเดิมแต่ไม่ได้มีเราเป็นผู้ทำ เป็นแค่กิริยาเฉยๆนะเช่นการนะให้ของแจกของอย่างเนี้สิ่งของก็เป็นเป็นรู ป, ปรธรรมเนาะใช่ไห ม, มแล้วก็ที่เรียกว่าเราเป็นผู้ทําทานเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีไม่มีเราหรอกเป็นขันห้าเช่นมีการมีร่างกายเนาะร่างกายไปวัดนู้นไปวัดนี้ร่างกายไปแล้วก็มีการเปล่งวาจามีการยื่นถวาย มันก็เป็นเรื่องของสังขารสังขารกายหรือว่าวัชิสังขารหรือว่าจิตตสังขารมันก็ปรุงแต่งไปอย่างนั้นแต่มีปัญญาถึงท่านที่จะเข้าใจได้ว่ามันไม่มีเราเราไม่มีเราที่ไปทําทานแต่มีการกระทํเขาเรียกว่าเป็นกิริยาเฉยๆแล้วก็เมื่อไม่มีเราผู้หวังที่จะได้ได้รับผลตอบแทนว่าขอให้ได้รับบุญอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้เกิดชั้น มันไม่มีขอแล้วเพราะว่าไม่มีตัวตนจะขอแล้วถ้าขอมันก็เป็นการสะสมแล้วก็เปลียนเวียนเกิดเวียนตายอีกออมันก็เนื่นช้าทีนี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันแนวปัญญาเนาะปัญญาคือให้เข้าใจความจริงว่าทุกอย่างน่ะเป็นแค่สิ่งเกิดดับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเรานะตรงนี้แหละมันก็พ้นทุกข์ในปัจจุบัน ผลจริงๆเพราะว่าถ้าเราฟังไม่ว่าฟังในแนวเซนก็ดีนะหรือว่าในสมัยพุทธกาลก็ดีการที่ฟังเพียงไม่กี่คำเนี่ยสามารถบรรลุธรรมก็มีอยู่จริงนะอย่างสูตรประภายยะอย่างเนี้ยท่านบอกว่าเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นเมื่อได้ยินก็สักว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งก็สักว่ารู้แจ้งนะถ้า ขณะใดก็ตามถ้าสักแต่รู้สักแต่ว่าสักแต่เห็นแบบนี้ตัวเธอก็จะไม่มีในโลกนี้ในโลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองเห็นไหมตัวเธอไม่มีที่ตัวเธอไม่มีเพราะว่ามันสักแต่เห็นสักแต่รู้ไงไม่มีตัวเราเป็นผู้เห็นไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้แต่การรู้การเห็นเนี่ยมันมีอยู่แต่ไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราเห็น แคนี้พระพายะก็มีปัญญามากก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ขณะที่ฟังธรรมอ่ะนี่คือมีปัญญามากแต่ถ้าปัญญามากกว่านี้อีกใครละ่ะพระมหากัสสปะหรือไงเนาะที่พระพุทธเจ้าโชว์ดอกบัวเนี่ยพระพุทธเจ้าโชว์ดอกบัวพระมหากัสสปะก็แค่มองอยู่เฉยพระพุทธเจ้ารู้ถึงใจเลยว่าพระมหากัสสปะ ออมีความแจ่มแจ้งเข้าใจในธรรมขั้นสูงสุดก็เลยรู้ว่าท่านก็บรรลุไปแล้วพระมหาการสาปะก็ะกไม่ได้พูดอะไรสักคํานึงก็บรรลุเป็นพระอระหันต์นี่คือผู้มีปัญญามากไม่ได้อธิบายมากรวมถึงไม่ได้อธิบายอะไรเลยก็สามารถเข้าใจได้นันก็เรื่องพวกนี้เนาะมันก็แล้วแต่มันมันก็พูดกันยากเออ นี่ที่หลวงพ่อพูดมาก็จริงๆมันก็ใช้หลักนี้แหละว่าเอออะไรต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมีขึ้นมันแค่เป็นแค่สิ่งเกิดดับแค่สิ่งเกิดดับแค่สิ่งเกิดดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรนะไม่มีตัวตนสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันก็จะเรียกว่าตัวตนไม่ได้นะ